หลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสรุปลงมาแล้วก็คือกายกับใจสองอย่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถถ้าว่าใจดีใจมีเหตุมีผลใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ใช้กายกระทำสิ่งใดก็ไปตามศีลตามธรรมตามกฎระเบียบตามธรรมวินยัยจะพูดออกไปก็ไปในทางที่ถูกต้องเป็นศีลเป็นธรรมเป็นธรรมวินยัยแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่มีธรรมเป็นนักเรง คาดศีลธรรมจะได้ยดธรรมใช้กายออกไปก็เหมือนกับเราขับรถไปชนดาบไปหมดถ้าใครขวางหน้าเหยียบไปหมดถ้าอะไรขวางล้อแต่ตามไม่จริงมันน่าจะรอได้อยู่อย่างเห็นหมาเห็นแมวเห็นงูอย่างนี้นบางทีไกลไกลว่องไกลไกลมันน่าจะเบรกได้ มันได้จะชะลอได้แต่ว่าคนขับรถนิสัยไม่ดีไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของคนอื่นเหยียบไปเลยแต่ถ้าเว้นเข็นคุณค่าของคนอื่นก็ชะลอเว้นเสียแต่สุดพิสัยอันนั้นคือมีคุณธรรมในใจถ้าว่าใจของเราก็เหมือนกันถ้าหาก่าศไม่มีคุณธรรมแล้วมีอะไร ทางต๊ทางตบทางต่อยทางตีทางข่าไปหมดใช้กายทำใช้ไฟจารมก็เหมือนกันพอที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้ามีคนมาขวางหน้าแล้วก็บีบแตรซะพอประมาณแปลว่าใช้ใช้แตรพอประมาณแต่คนไม่มีคุณธรรมนะึ่เข้าไปในบ้านในเมืองไม่รู้ชุมชนที่ไหนบีบแกดะไปหมด จนคนทั้งหลายเดือดร้อนพราะท่อแตรคนไม่มีคุณภาพอย่านั้นลักษณะอย่างนั้นอ่ะสรุปแล้วก็คือกายกับวาจากายก็คือรถวาจาคือแตรของรถถ้ามาเปรียบเทียบกับปลอกก็คือกายกับใจกายกับใจกายมันมีวาจาด้วยแต่ว่าใจเป็นนาย ใจเป็นนายกายเป็นเบากายจะดีได้หรือวิาจาจะดีได้ก็ต้องอาศัยใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสานาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วมีกายกับใจอยู่ในตัวของเราเพราะนั้นท่านจึงยกว่าใจในสำคัญยิ่งกว่าร่างกายเพราะใจเป็นหัวหน้าเมื่อใจ เป็นหัวหน้าแล้วใจควรจะได้รับการอบรมอบรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าจิตใจของเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วการกระทําก็ไปในทางที่ดีพูดไปก็ใ น, ในทางที่ดีนั่นว่าอย่างนั้นนั้นให้พวกเราอบรมใจใช่ไหมการอบรมใจเนะี่ยอบรมยากมากนะไม่ใช่พูดแต่มันพูดง่ายๆแต่พอจะเอามาอบรมใจแล้วมันพูดยากเหลือเกิน มันทำยากเหลือเกินอบรมใจเอาลิงมาสอนยังง่ายกว่าเหนันนะจับลิงมาแล้วมาสอนลิงยังง่ายกว่าที่จะมาสอนใจตัวเองการที่จะสอนใจตัวเองเพอจะจับแต่ละมันวิ่งไปรอบโลกจั ก, กรวาลไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ฝึกให้ได้ฝึกใจจะทำยังไงฝึกใจ อย่างหลวงพ่อไปสอนพี่น้องชาววินโดผมหลวงพ่อให้สามแนวทางาแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นสี่สิบอย่างกรรมฐานและก็มากกว่านั้นอีกอันนี้พอประมาณกรรมฐานสี่สิบนี้พอประมาณพอที่จะนำมาสอนได้ขนาดนั้นก็สับสนแล้วงั้นสี่สิบแต่หลวงพ่อย่นย่อมา หลวงพ่อจะสอนสมวิธีฝึกหัดทําจิตใจให้สงบจะฝึกตัวนี้แหละฝึกลิงตัวนี้แหละตัวมันพยศพยศเนี่ยมันยอมยิ่งกว่าลิงซะอีกเนี่ยเราจะฝึกด้วยวิธีอย่างไรยิงลิงอยู่ในตัวของเราทุกคนคือใจของเราคือลิงเหมือนกันแต่มันปงฟงุ้งซ่านมาแต่ละวี่แต่ละวันเราจะฝึกมันได้ยังไงจะให้มันเชื่องได้ หลวงปู่มั่นท่านบอกว่ากรรมฐานที่จะฝึกกลิ่นนั้นอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมฐานหนึ่งที่วิธีการฝึกกลิ่นถ้าหากว่ากรรมฐานอาณาปานสติเนี่ยในกรรมฐานทั้งหลายสี่สิบอย่างหรือมากกว่านั้นก็ดีอาณาปานสติเนี่ย จะเป็นหนึ่งเกือบถูกกับทุกจริตะถูกกับเกือบทุกจริตเกือบเหมือนกันเถอ ะ, ะไม่ใช่ทั้งหมดนะเกือบทุกจริตกรรมฐานนาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าออกคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ในโครนต้นโพในคืนวันนั้นวันเดือนหกเพน ท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยแหละเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์จากนั้นหลวงปู่มั่นท่านเอานํามาสอนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธให้กําหนดดูหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเพิ่มเข้าอีกหนพุทธกับโทอ่างั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านเพียงแต่ว่ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันสั้นไปมันจับไม่ค่อยอยู่จึงสามทัพหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทธโทพุทธโทแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกึง เอออยไปเพ่งมันมากคนไปแต่เพ่งมากเกินไปแล้วปวดศรีรษะนะทําให้กระอักกระอ่วนเหมือนกับจะอาเจียนลักษณะอย่างนั้นนะบางคนนะพราะเราเพ่งเกินไปแต่ไม่จริงอย่าเพ่งนะให้ปล่อยตามธรรมชาติถึงเราจะดูหรือไม่ดูก็ตามลมหายใจเข้าออกมันผ่านจมูกเราอยู่ของเราอยู่ตลอดไปล่ําเวลาแต่เพียงแต่เราไม่ดูเท่านั้นแต่พอเราดูเราจะไปเพ่งมันอะไรมากมายนักหนาเพียงแต่ให้มีสติสัมปชัญญะ ในลมหายใจเข้าออกตอนนั้นพอแล้วนะให้มีสติสัมปชัญญะบริกรรมว่าพุทธบริกรรมว่าโทพุทธโทพุทธโทนะนี่แหละอันนี้คือแนวหนึ่งแนวที่สองมันนึกคิดปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาทิ้งจะบริกรรมพุทธโทมันก็ไม่อยู่เราให้พยายามาตั้งสติให้ดีและกําหนดดูว่าขณะนี้เราคิดเรื่องอะไร เราปรุงเราปรุงเราแต่งเรื่องอะไรใจของเรามันทำไมมันมันปุ่มฟุ้งออกไปอย่างนี้แล้วทอ น, นี้เอาบริกรรมสำทับเข้าตัวผู้รู้ๆนั่นน่ะตีรู้ๆอยู่นั่นน่ะเอาสำทับเข้าตัวนั้นบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันถียิบแต่ก็จะไปเพ่งอีกเหมือนกันอ ย, อย่าไปบริกรรมออกทางเสียงวาจาเหมือนกันเถอะให้ใจ ให้ใจบริกรรมให้ใจว่าพุโทโธเอาพุโทโธเอาใจว่าพุโทโธไม่ใช่เอาปากว่าพุโทโธอย่าเอาปากว่าเหมืนกเอาใจว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธจนไม่มีทางออกใจของเราจะไม่มีช่องออกเลยอันนี้ก็จะทำจิตใจให้สงบได้เพราะใจมันมันมันไม่มีทางออกใจมันนิ่งแลละทีนี้อันนี้ก็คือการที่สองอันที่สามก็คือ หลวงพ่อแนะนำใ ห, ให้นับให้นับตัวเลขดูนะเพราะพวกเราเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เด็กมาเรียนหนังสือเขาก็ให้นับเลขด้วยให้นับเลขตัวเลขด้วยเพราะมันเคยชินกับนับตัวเลขกันเพราะนันเหนให้นับลมหายใจเข้าออกของของตัวเองดูสิเวลาหายใจเข้านับหนึ่งเวลาหายใจออกนับสองเวลาหายใจเข้านับสาม เวลาหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อยนับไปถึงร้อยมันเผลอไหมมันมีช่องว่างมันมันเผลอไหมแล้วมันเผลอจะทํำยังไงคือมันเผลอสมมติว่าหายใจเข้าหกสิบสองหายใจออกหกสิบสามหกสิบสามนันเป็นเลขขี่ใช่ไหมไอ้หายหกสิบสองมันเป็นเลขคู่ใช่ไหมแต่เราตั้งทีแรกแล้วว่าหายใจเข้าเนี่ยหกสิบเอ็ดไอ เอ่หนึ่งหายจะออกสองหนึ่งเป็ว่าเลขขี้สองไปว่าเลขคู่สามไปว่าเลขขี้สี่ไปว่าเลขคู่ห้าไปว่าเลขขี่หกไปว่าเลขคู่เราไล่ไปถึงร้อยนะนับไปถึงร้อยถ้ามันเบอร์แล้วมันจะหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่แสดงว่ามันสลับกันล่ะแปลว่าเราเผลอละเบอร์ละมั้งอ่ะเอ้าตั้งตนไหมนับหนึ่งไหม ถ้านับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆถ้าวันเราเพอบ่อยมากเนนับสองสามคำแล้วมันมันหลุดสองสามคำมันนหลุดแสดงว่าสติของเราเนี่ยแย่มากแล้วนะถ้าเกินกว่านั้นไปไ อ, อ้เผ้อๆจะเข้าโรงพยาบาลศีรษะมายามหาโพแล้วนะที่นี่นะเออมันขาดสติมากแล้วควรจะตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นกว่านั้นอีกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทถ้ามันอยู่ได้ถึงร้อยนะ ไม่เผยถึงร้อยแสดงว่าเราอยู่ในสมาธิหรือว่าจิตใจของเราอยู่หนึ่งนาทีได้หนึ่งนาทีนับถึงเท่าร้อยประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละให้พวกเราสังเกตดูไม่ต้องหาไม่ต้องถามใครไม่ต้องศึกษาอย่างอื่นจากนั้นในเมื่อเรานับจิตใจของเราอยู่นิ่งพอสมควรแล้วก็กลับมาหากรรมฐานเดิมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆนี่แหละ อันนี้คือการฝึกสติเบื้องต้นก่อนที่สติจะเกิดขึ้นได้ต้องฝึกนะนนต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆเกิดขึ้นมาลอยๆกับอย่างที่ว่ า, วานั่นลอยไปลอยมาลอยม า, ลอยมาแล้วก็ลอยไปแต่ถ้าว่าเราฝึกนี่จิตสติของเราจะเข้มแข็งสติของเราจะเป็นหนึ่งเมื่อสติของเราเป็นหนึ่งแล้วเราจะนำมาพิจารณ า, น, า น, นำมาไข่ควรทบทวนสิ่งไหนก็ เป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะสติของเราอยู่กับตัวเพราะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งที่พวกเราควรจะศึกษาและก็ควรนํามาประพฤติปฏิบัติกับตัวเองนะถ้าพวกเราขาดสติมากๆอย่างที่ลุงพ่อว่าไม่เป็นผลดีสรุปแล้วเพราะฉะนั้นให้ฝึกสติคนที่มีสติสัมปชัญญะกดกับอยู่กับตัวเองแล้ว ถึงจะเท่าแก่ชะลาก็ไม่ว้าเว่อ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะเหตุใดเพราะสติของเราอยู่กับตัวแต่ถ้าว่าคนที่ขาดสติแล้วอยากจะร้องไห้ร้องไห้อยากจะหัลเราะก็ฮัลเลาะอยากจะจมพุ่มพุ่มพำพำกับป๋าไปแล้วแต่เนี่เพราะเหตุใดเพราะมันขาดสติเพราะฉะนั้นสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราทั้งหลายเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายควรจะฝึกเอาไว้ ตั้งแต่บัตรนี้ล่ะฝึกไปเรื่อยๆจนสติของเราเข้มแข็งเมื่อสติของเราเข้มแข็งแล้วอยู่นสถานที่ใดก็น่าดูน่าชมคนที่อยู่ใกล้ก็เห็นแล้วก็สบายใจแต่ว่าคนขาดสติมากๆคนที่อยู่ใกล้เราก็ไม่สบายใจนะเอ๊ะทำไมวะทาไมวะปู่ย่าตา ย, ยายของเราทำไมเป็นอย่างนี้วะอย่างนี้เป็นต้น เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกๆท่านตอนน่อไปรับพรอนุโมทนาให้พร